ปิดกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่สามสิบสามพระสุตันตปิดกอปทานภาคสองพุทธวงศจริยาปิดกพระสุตตันตปิดก พุทกนิพายอภิธานภาคสองขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น42พัทาลิวัตหมวดว่าด้วยพระพัทาลิเป็นต้น1พัทาลิเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระพัทาลิเทระพระพัทาลิเทระเมื่อจะประกาศประวัติ ในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้เลิศผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาทรงเป็นผู้เลิศในโลกทรงเป็นมุนีเมื่อประสงค์วิเวจึงได้เสด็จไปยังภูเขาหิมพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงองค์อาจกว่าผุรลุษครั้นเสด็จไปยังภูเขาหิมพานแล้ว ได้ประทับนั่งขัดสมาธิพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้เป็นบุรุษสูงสุดพระองค์นั้นประทับนั่งเข้าสมาบัติตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนข้าพเจ้าคอนหาเข้าไปถึงกลางป่าณที่นั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอเคได้แล้วไม่มีอาสวะครั้งนั้นข้าพเจ้าได้หยิบไม้กวาดมากวาดอาสม ปากไม้เป็นสีเศร้าทำเป็นมณดกก็พระเจ้าเก็บดอกสาละมามุงเป็นหลังคามณดกเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ไหว้พระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้วพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมทะที่ชนทั้งหลายสรรเสริญกันว่ามีพระปัญญาดังแผ่นดินมีพระปัญญาดีประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์กําลังจะตรัสพระคถาเหล่านี้ เทวดาทั้งปวงทราบว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเปล่งวาจาจึงพากันมาประชุมด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้มีพระจักสุจะทรงแสดงธรรมโดยแน่แท้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่เทวดาได้ตรัสพระคาถาดังต่อไปนี้ว่าเราจะพยากรผู้ตั้งมนดก มีดอกสาละเป็นเครื่องมุงสำหรับเราตลอดเจ็ดวันท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นี้จะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามจากเป็นผู้มีผิวพรรณเหมือนทองคำจกสวยกลามสุขมีโพคะล้นเหลือช้างมาตังคาหกหมื่นเชือกประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างรับประโคนผานหน้าและผานหลังที่ทาด้วยทองประกอบด้วยเครื่องประดับศีสะและข่ายทอง มีนายควานช้างผู้ถือหอกซั์และขอขึ้นขี่บังคับประจำจากมาสู่ที่บัมรุงของผู้นี้ทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นผู้นี้จะเป็นผู้ที่ช้างเหล่านั้นแวดล้อมแล้วรื่นรมอยู่ม้าสินทปชาติอาชาในหกหมื่นตัวประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเป็นพาณะที่มีฝีเท้าเร็วมีทหารม้าผู้เน็บมีสั้นถือธนูขึ้นขี่บังคับประจำ จากแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ารถหกหมื่นคันระดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างหุ้มหนังเสือเหลืองบ้างหนังเสือโคร่งบ้างมีธงปักหน้ารถมีพลขับเครือธนูสวมเกราะประจำรถจากแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหมู่บ้านหกหมื่นหมู่บริบูรณ์ด้วยเครื่องใช้ทุกอย่าง มีซั์และข้าวเปลือกล้นเหลือบริบูรณ์ดีทุกประการจากปรากฏอยู่ทุกเมื่อนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ากองทัพสี่เหล่าคือพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าจากแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าผู้นี้จากรื่นรมในเทวโลกตลอดหนึ่ง้สิบแกลับจากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพันชาติ และจับครองเทวสมบัติตลอดสา0ร้อชาติจากเป็นเจ้าประเทศราชอันไพยบูร์นับชาติไม่ถ่วนเนี่กลกับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโพดมตามพระโคดสรงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จากเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรกาหนดรูอาสวะทั้งปวงแล้ว จากอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะแลกลับที่จามหมื่นนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าไดเห็นพระศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกและได้แสวงหาอมตะบทตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการที่เขาพเจ้ารู้ศาสนธรรมนี้เป็นลาบที่เขาพเจ้าได้ดีแล้ววิชาสามเขาพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าพระองค์ได้บรรลุอมตะบทแล้วเพราะกล่าวสดุดีพระพุทธญาข้าพเจ้าเกิดในีกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามย่อมเป็นผู้มีความสุขในที่ทุกสถาน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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระพัาลิเทระได้พาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยประการศนี้พัาลิเทระประทานที่หนึ่งจบสองเอกาชติยเทราประทานประวัติในดิตชาของพระเอกาชะติยเทระพระเอกาชะติยเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้สร้างอาสมเกลื่อนกลนด้วยสายขาวสะอาดใกล้แม่น้ำจันทภาคาและได้สร้างบารรณาศาลาไว้แม่น้ำจันทภาคานั้นเป็นแม่น้ำสายเล็กที่มีฝั่งลาดและมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจมีปลาและเต่าชุกชุมทั้งยังเป็นที่อาศัยของจระเข้มีนกยูงเสือเหลือง นกกระเวกและนกสาลิการ่ำร้องระ ง, งมอยู่ทุกเวลาประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามนกดูว่ามีเสียงไพเราะและหงมีเสียงสนอก็กส่งเสียงร้องอยู่ใกล้อาสมนั้นประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามราชสีเสือโครง่งหมูป่าหมีหมาป่าและหมาในเที่ยวส่งเสียงคารนอยู่ตามซอกเขา ระดับอาสมของข้าพเจ้าให่งดงามเนื้อทายกวางสุนักจิ้งจอกสุกรก็มีมากต่างส่งเสียงร้องอยู่ตามซอกเขาระดับอาสมของข้าพเจ้าให่งดงามต้นราชพฤกษ์ต้นจำปาต้นแคฝอฟตต้นย่านทายต้นอุโลกและต้นอโศกระดับอาสมของข้าพเจ้าให่งดงามต้นป ร, รูโต้นคัดเขาต้นตีนเป็ด ต้นมะกลำหลวงต้นคนทีสอและต้นคณิกาล้วนมีดอกบานสะพรั่งอยู่ใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้าต้นกากระทิงต้นสาละและต้นสนรวมทั้งต้นมะม่วงป่าล้วนมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิดงดงามอยู่ใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้าและที่ใกล้อาสมนั้นมีต้นโพต้นประดู่ต้นกระท้อนต้นสาละและต้นประยง ลว้วนมีดอกบานสะพรั่งงดงามอยู่ใกล้ๆอวสุมของข้าพเจ้าต้นมะม่วงต้นว่าต้นหมาข้อมควายต้นกระทุ่มต้นขานางส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพ ป, ประดับอวสุมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นอ โ, อโศต้นมะขวิดและต้นกุหลาบลว้วนมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพ ป, ประดับอวสุมของข้าพเจ้าให้งดงาม ต้นกระทุ่มต้นกล้วยถั่วเหลืองและต้นมะกลำดำล้วมผลิผลอยู่เนืองนิดประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นสมอต้นมะขามป้อมต้นมะม่วงต้นว่าต้นสมอพิเภกต้นกระเบาต้นรกฟ้าต้นมะตูมก็ผลิตผลอยู่ใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้าในที่ไม่ไกลจากอาสมมีสระบคคณี ซึ่งมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจดารดา ด, ด้วยดอกบัวเพื่นดอกบัวหลวงและดอกบัวเขียวปทุมบางกอกําลังมีดอกตูมบางกอกําลังมีดอกบานบางกอก็มีกลีบและเขรหลุดร่วงอยู่ใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้าปลาสลาดฝูงปลากระบอกฝูงปลาสวายฝูงปลาเขา้าและฝูงปลาทะเพียนต่างว่ายวนอยู่ในน้ําใส ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นตาเสือต้นจงกล น, นีและต้นลำเจียบซึ่งขึ้นอยู่ที่ริมฝั่งส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิดประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามน้ำหวานไหลออกจากเง้าบัวนมสดและเนยใสไหลออกจากก้านบัวส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิดประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม ใกล้อาสมนั้นมีเนินทรายที่สวยงามดา ด, ดื่นมีไม้ดอกที่อาศัยน้ําเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงผลิดอกขาวบานสะพรั่งประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามฤรืสีทั้งหลายผู้สวมชดาและเครื่องบริขารนุ่งห่มผ้าหนังสัตว์ทรงผ้าเปลือกไม้ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามฤรืสีทั้งหลายมีปกติทอดสายตาดูประมาณชั่วแอบ มีปัญญารักษาตนมีความประพฤติสงบไม่มีความยินดีไม่มีความกำหนัดในกามอยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้าฤาษีทั้งหลายผู้มีขนรักแร้เล็บและขนงอกยาวมีฟันเคระมีทุลีบนศีรษะคลุกฝุ่นและละองล้วนอยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้าฤาษีเหล่านั้นล้วนเชี่ยวชาญอภิญยาเหาไปในท้องฟ้าได้ เมื่อเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าประดับอาสมของข้าพระเจ้าให้งดงามครั้งนั้นข้าพระเจ้ามีสิทธ์เหล่านั้นแวดล้อมอยู่ในป่าใหญ่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความยินดีในฌานจนไม่รู้จักกลางคืนและกลางวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัทธาทศีผู้ทรงเป็นมหามุนีทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสเสด็จอุบัติขึ้นกำจัดความมืดมนคือโมหะให้พินาศไป ครั้งนั้นสิทธิ์บางรูปประสงค์จะเล่าเรียงคำพีลักษณะอันมีองค์หกในคำพีพระเวทได้มายังสำนักของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัถฐทัตสีผู้ทรงเป็นมหามุนีเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อจะทรงประกาศสัจจสีจึงได้ทรงแสดงอมต ะ, ะบทข้าพเจ้าเป็นผู้มีความยินดีร่าเริงบันเทิงใจมุ่งหวังกองธรรมอันวิเศษ ออกจากอาสมแล้วพูดดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงลักษณะอันประเสริฐสามสิบสองประการเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกมาเถิดท่านทั้งหลายเราทุกคนจะไปยังสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธิเหล่านั้นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนบรรลุบา ร, รมีในพระศาสรารแสวงหาประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมต่างรับว่าสาธุครั้งนั้น พวกเขาสวมชดาและทรงบริคารนุ่งห่มผ้าหนังสัตสว์แสวงหาประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมได้ออกไปจากป่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัทธทัสสีมีพระยชน์ยิ่งใหญ่เมื่อจะทรงประกาศสัจจะสี่จึงได้ทรงแสดงอมาตะบทข้าพุทเจ้ายืนเถอเสเวตชัตต์ั้นถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดครั้นกั้นถวายตลอดวันหนึ่งแล้ว ได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัถทัศสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนประทับนั่งในถ้ำกลางภิสุสงแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรผู้ที่มีจิตเลื่อมใสซึ่งได้กั้นสเสวตชัตรให้เราด้วยมือทั้งสองของตนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด เมื่อผู้นี้เกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามประชาชนจะคอยกั้นฉาดให้ทุกเมื่อนี้เป็นผลแห่งการกั้นฉาดถวายผู้นี้จะกลืนลมในเทวโลกตลอดเจ็ดสิบเจ็ดกลับจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผนชาติและจากครองเทวสมบัติตลอดเจ็สิบเจ็ดชาติจากเป็นพระเจ้าประเทศราอันภัยบูร์นับชาติไม่ท่วนในกลับที่หนึ่งร้อยสิบแปดนับจากกลับนี้ไป พระศาสดาพระนามว่าโครมสักยะผู้ประเสริฐผู้มีพระจักสุจักเสด็จอุบัติขึ้นกำจัดความมืดมนให้พินาศไปผู้นี้จกเป็นธรรมทายาคของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานนับแต่การที่ข้าพเจ้าได้ทำกรรมคือการเดีย ก, กั้นฉัตรถวายพระพุทธเจ้าเป็นต้นมา ในระหว่างนี้ข้าพเจ้าไม่รู้ภาวะที่ตนไม่เคยได้รับการกลั้นสเสวยตฉชัดให้ภพนี้เป็นภพสุดท้ายของข้าพเจ้าภพสุดท้ายกําลังเป็นไปอยู่ทุกวันนี้เนื้อศีรษะของข้าพเจ้าก็ได้มีการกลั้นฉัดตลอดการเป็นนิจโอ๋หนอกรรมข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วในสำนักพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัทธทัตศีผู้มั่นคงอา จ, จะวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว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 เอกะชะติยเทราประธานที่สองจบสาตินสูลกกะชาธนิยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระติณสูลกกะชาธนิยะเทระพระตินสูลกะชาธนิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระเจ้าได้พิจารณาความเกิดความแก่และความตาย แล้วปลีกตัวออกบวชเป็นบรรพชิตแต่ผู้เดียวเมื่อข้าพเจ้าเที่ยวไปโดยลําดับได้ไปถึงฝั่งแม่น้ํำคงคาเห็นพื้นดินที่ฝั่งแม่น้ํำคงคานั้นราบเรียบจึงได้สร้างอาสมที่ฝั่งแม่น้ํำคงคานั้นอยู่ในอาสมของข้าพเจ้านั้นที่จงกรมซึ่งประกอบด้วยหมู่นกนาณ า, าชนิดซึ่งข้าพเจ้าสร้างไว้ดีแล้วสัตว์ทั้งหลายอยู่ใกล้ข้าพเจ้าก็ส่งเสียงน่ารื่นรมย์ใจ ข้าพเจ้ารื่นรมกับสัตว์เหล่านั้นอยู่ในอาสมที่ใกล้อาสมของข้าพเจ้ามีราชสีสามารถก้าวไปได้โดยที่ทั้งสี่ออกจากที่อยู่แล้วคำรามเหมือนเสียงอัศนีบาทก็เมื่อราชสีคำรนข้าพเจ้าเกิดความร่าเริงค้นหาราชสีอยู่จึงได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกครั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลก พระนามว่าเดสะผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพเคราะเจ้ามีจิตร่าเริงบันเทิงใจจึงบูชาพระองค์ด้วยเฟซรอดอกกลากะทิงได้ชื่นชมพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้เหมือนดวงอาทิตย์กำลังอุทัยเหมือนต้นพญาไม้สาละซึ่งมีดอกบานเบ่งเหมือนดาวประกายพลึกกำลังทอแสงสว่างสวัยว่า พระสัพพัญยูพระองค์ทรงยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างด้วยพระยามของพระองค์เขาเหล่านั้นทําให้พระองค์สรงพอพระทัยจึงพ้นจากชาติได้เพราะไม่ได้เฝ้าพระสัพพัญยูพุทธเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายจึงถูกราคะและโทสะครอบงำแล้วพากันตกไปในนรกอเวจีเพราะอาศัยการได้เข้าเฝ้าพระองค์ผู้สัพพัญยูผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลก สัตทั้งปวงจึงหลุดพ้นจากภพแล้วบรรลุอมตะ บ, บทเมื่อใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีพระจักสุมีพระรัศมีเสด็จอุบัติขึ้นเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจะทรงแผ่พระรัศมีมีแสงสว่างแผดเผากิเลสของเหล่าสัตว์ให้สิ้นไปข้าพเจ้าได้สะดวดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของสัตว์โลกแล้ว มีจิตร่าเริงบันเทิงใจได้บูชาพระองค์ด้วยดอกมริซอนพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสะผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกทรงทราบความดำฤริของข้าพเจ้าประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราจะพยากรผู้ที่เลื่อมใสถือดอกไม้กั้นแดดให้เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด ผู้นั้นจะครองเทวสมบัติในเทวโลกตลอด25ชาติจากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ75ชาติจากเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บู์นับชาติไม่ถ้วนนี้เป็นผลแห่งการกระทําการบูชาด้วยดอกไม้พวกคนที่ใช้ดอกไม้ปั้นแดดให้เราตั้งแต่เช้าจดเย็นจากเป็นผู้ประกอบด้วยกรรมดีปรากฏต่อไปในภายภาคหน้าเขาปรารถนาสิ่งใดใด สิ่งนั้นๆนจะปรากฏตามความประสงค์เขาทำความดำริชอบให้บริบูรณ์จากเป็นผู้ไม่มีอา จ, จะวะแล้วนิพพานพานวาระที่18ปจบข้าพเจ้านั่งบนอาสนะเดียวมีสติสัมปชัญญะเผากิเลสทั้งหลายแล้วได้บรรลุพระอรหัตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็ตามย่อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดอยู่ทุกขณะ ความพร่องในปัจจัยนั้นๆคือจีวรบิณฑบาตกิฬานปาปัจใจเภสัชบริขารที่นอนที่นั่งมิได้มีแก่ข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าบรรลุอมะตะบทที่สงบประงับอย่างยอดเยี่ยมกําหนดรู้อาชวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาชวะในกลับที่แปดสิบสองนับจากกลับนี้ไป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 ท่านพระตินสูรกะชาฏนิยะเทระได้พาศิษฐคาาเหล่านี้ด้วยประการศนิตินสูรกะชาฏนิ ย, เ ะ, น 3, ะ, ยะเทราประธานที่สามจบสี่เมธุมังสะทายกะเทระประธานประวัติในดิชาติของพระมธุมังสะทายกะเถระพระมธุมังสะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นคนฆ่าสุกร อ, อยู่ในกรงพันธุมดีได้ต้มเครื่องในแล้วใส่ผสมลงในเนื้อชั้นดีข้าพเจ้าได้ไปยังที่ประชุมสงฆ์รับบาดมาใบหนึ่งบรรจุบาดนั้นจนเต็มแล้วได้ถวายภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ถวายพระสังฆเถระด้วยคิดว่าด้วยผลแห่งการถวายบาด ท, ที่บรรจุเนื้อจนเต็มนี้ข้าพเจ้าจากได้สุขอันไพ่บูน เขาเสวยสมบัติสองอย่างแล้วถูกมูลละกุศลกรรมเก่าชักให้มาถึงภพสุดท้ายแล้วจกเผากิเลสได้ข้าพเจ้าทําจิตให้เลื่อมใสในทานนั้นจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงณที่นั้นข้าพเจ้ากินดื่มได้สุขอันไพยบู์ไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่มนดกหรือที่โคนไม้ข้าพเจ้าก็จักนึกถึงบุปรรมเสมอ ในขณะที่ข้าพเจ้านึกถึงบูพกรรมอยู่นั้นหาฝนแห่งข้าวและน้ำตกลงมาเพื่อข้าพเจ้านี้เป็นภพสุดท้ายของข้าพเจ้าภพสุดท้ายกาลังเป็นไปอยู่ถึงในภพนี้ข้าวและน้ำก็ตกลงมาเพื่อข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเนื้อชั้นดีนั้นนั่นแหละเมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพแล้วจึงกาหนดรู้อาชวะทั้งปวง แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะเนกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปขขาพเจ้าได้ให้ทานไว้ในครั้งนั้นไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเนื้อชั้นดีกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วขขาพเจ้าตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระมัทุกมงสะทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนีมัทุกมงสะทายกะเทราประทานที่สี่จบหนาคะปันละวกะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระนาคะปันละวกะเทระ พระนาคะอันละกกาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่พระราชอุทยานในกรงพันธุมดีพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกได้ประทับนั่งอยู่ใกล้อาศมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือยอดอ่อนไม้กากะถิ่งบูชาพระพุทธเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายอภิวาทพระสุครสแล้ว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 ได้ทราบว่าท่านพระนาคปันละวกะเถระได้พาจษิคาถาเหล่านี้ด้วยประการัชนีนาคปันละวกะเถราประธานที่ห้าจบ 6. เอทีปิยะเถราประธาน ประวัติในดิจฉาติของพระเอกทาธีปยะเถระพระเอกทาธีปยาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระสุคตพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกปรินิพานแล้วมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาทั้งปวงต่างก็บูชาพระองค์ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและเมื่อเขาช่วยกันยกพระสิท ธ, ธัตถะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ขึ้นบนจิต ก, กาธานแล้วต่างก็บูชาจิต ก, กาธานของพระาศาสดาตามกําลังของตนเขาพเจ้าได้ตามประทีปให้ลุกโพงไว้ใกล้จิต ก, กาธานประทีปของเขาพเจ้าลุกโพงอยู่จนถึงเวลาดวงอาทิตย์อุทยัยด้วยกรรมที่เขาพเจ้าได้ทําไว้ดีนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นไว้ดีเขาพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้น วิมานที่บุญกรรมได้ทําไว้เป็นอย่างดีเพื่อข้าพเจ้าเรียกกันว่าเอกทีปิวิมานมีประทีปหนึ่งแสนดวงส่งสว่างอยู่ในวิมานของข้าพเจ้าร่างกายของข้าพเจ้าสว่างสวัยอยู่ทุกเมือ่อเหมือนดวงอาทิตย์อุทยัยสริระของข้าพเจ้ามีแสงสว่างด้วยรัศมีในการทุกเมือ่อข้าพเจ้ามีจักษุมองทะลุฟากำแพงและภูเขาโดยรอบร้อยโยธ รื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอด77ชาติได้ครองเทวสมบัติตลอด31ชาติได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ28ชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพูโบ์นับชาติไม่ถ้วนเขาพระเจ้าจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในคันมารดาแม้นอยู่ในคันมารดาเขาพระเจ้าก็ไม่หลับตาเขาพระเจ้าเกิดได้4ขวบก็ออกบวชเป็นบรรพชิต ยังไม่ถึงเกือกเดือนก็ได้บรรลุอรหัตผลเข้าไเจ้าชัมระที่พยาจักสุให้หมดจดวิเศษแล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วกิเลสทั้งปวงเข้าพเจ้ากระตัดได้แล้วนี้เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียวเข้าไเจ้ามองทะลุฝากำแพงและภูเขาทั้งสิ้นได้นี้เป็นผลแห่งประทีปดวงเดีย ว, วสําหรับเข้าไเจ้า ภูมิภาคที่ครุขระย่อมเป็นสภาพที่ราบเรียบความมืดย่อมไม่ปรากฏข้าพเจ้ามิเห็นความมืดนี้เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียวเนี้อกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายประทีปไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียวกิเลทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ประวัติในดิชาติของพระอุดชังคะปุพยะเถระพระอุดชังคะปุพยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นช่างดอกไม้อยู่ในกรุงพันธุมดีข้าพเจ้าเก็บดอกไม้ใส่เต็มชายพกแล้วได้ไปในย่านตลาดสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมแล้ว สเสด็จออกไปด้วยอนุภาพใหญ่เขาพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้ส่องโลกให้โปรงทั่วทรงช่วยสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจึงหยิบดอกไม้ออกจากชายพกบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเนคกลับที่เก้าสิอดนับจากกลับนี้ไปการที่เขาพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลย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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพระเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอุชังคะปุพพิยะเถระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ ปุชังพระปุพยเถราประธานที่เจ็ดจบแปยาคุทายกะเถราประธานประวัติในดิชฉ่าของพระยาคุทายกะเถระพระยาคุทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชฉ่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าได้พาแขกมาบ้านเห็นแม่น้ำเต็มฝั่งจึงเข้าไปยังสังคาราม ภิกษุทั้งหลายผู้ถือถุดงข้อการอยู่ป่าเป็นวัดเข้าฌานมีคีวอนเศร้าหมองยินดีในความสงัดเป็นนักปราดอาศัยอยู่ในสังคารามทางไปบินตบาาของภิกษุผู้หลุดพ้นดีแล้วผู้คงที่เหล่านั้นถูกตัดขาดแล้วในเวลาต่อมาเมื่อน้ำท่วมท่านไปบินตาบาาไม่ได้ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีเปิดปีติปราโมช ประนมมือถือข้าวสารข้าวต้มข้าวยาภูแล้วถวายข้าพเจ้าเลื่อมใสถวายข้าวยาภูที่ต้มด้วยมือทั้งสองของตนเมื่อปรารภถึงกรรมของตนแล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานแก้วมณีได้เกิดแก่ข้าพเจ้าในหมู่เทพชั้นดาวดึงข้าพเจ้าประกอบด้วยหมู่เทพนารีบันเทิงอยู่ในวิมานที่อุดม ข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพ ค, ครองเทวสมบัติตลอด33ชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองมหาราชสมบัติ30ชาติได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูรณ์นับชาติไม่ถ้วนสวยยศในเทวโลกบ้างในมนุษย์โลกบ้างเมื่อถึงพบสุดท้ายข้าพเจ้าได้สละทัพสมบัติทั้งหมดออกบวชเป็นบนรรพชิตขณะที่ปุงผมเสร็จ ข้าพเจ้าพิจารณาร่างกายโดยวความสิ้นไปและความเสื่อมไปก็ได้บรรลุอรหัตผลก่อนการรับศึกขาบททานอันประเสริฐที่เกิดจากมือเราซึ่งเราประกอบดีแล้วชื่อว่าเป็นอันให้ดีแล้วเพราะการถวายข้าวยาคูนั่นเองข้าพเจ้าจึงได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีความเจ้าโกความร่ำไรความป่วยไขย้ความกระวนกระไย ความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นเลยนี้เป็นผลแห่งการถวา ย, ข, ายาข้าวยาคูโอ๋หนอข้าวยาคูเขาพระเจ้าได้ถวายดีแล้วหนอเขาพเจ้าได้ถวายข้าวยาคูแด่หมูพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมจึงได้รับอนิสงฆ์ห้าประการคือหนึ่งไม่มีความเจ็บไข้สองมีรูปงามสามตรัสรู้ทำเร็วพลัน 4. ได้ข้าวและน้ำหมีอายุยืนบุคคลใดๆยังสมนัตให้เกิดอยู่ถวายข้าวยาคูดแด ม, มูพระสงฆ์บุคคลนั้นเป็นบัณฑิตพึงได้รับอนิสง์ห้าประการเหล่านี้กิ่ทุกอย่างที่ควรทำข้าพเจ้าก็ได้ทำเสร็จแล้วพบทั้งหลายข้าพเจ้าก็เพิกถอนได้แล้วอาสวะทั้งปูเส้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก ข้าพเจ้าจากเที่ยวไปนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันดีจากบ้านหนึ่งไปยังบ้านหนึ่งจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งเน่กลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปการที่ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวยาครูกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 และอภิน ญ, ญาหกเขาพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้จราบว่าท่านพระยาคุทายกะเทระได้พาสุขาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิยาคุทายกะเทราประทานที่แปดจบเปัโทโธธนะทายกะเทราประทาน ประวัติในดิตชาของพระปัทโธธนะทายกะเทระพระปัทโธธนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าชอบเที่ยวไปในป่าเป็นคนทำงานในป่าเสมอถือข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแล่งหนึ่งแล้วได้ไปทำงานณที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระประเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองไม่ทรงพ่ายแพ้ เสด็จออกจากป่าเพื่อบินธบาตครั้นเห็นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสคิดว่าเราทำการงานให้คนอื่นบุญเราก็ไม่มีคงมีแต่ข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแลงหนึ่งนี้เราจะนิมนต์พระมุนีนี้ให้เสวยข้าพระเจ้าจึงหยิบข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีแลงหนึ่งถวายพระสยามภูฝ่ายพระมหามุนีก็ได้เสวย ขณะที่ข้าพเจ้าจ้องดูอยู่นั่นเองด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทกครองเทวสมบัติตลอดสาสองชาติและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสาสามชาติได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูร์นับชาติไม่ท่วนข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสุขมียศ นี้เป็นผลแห่งการถวายเข้าสุขที่หวงจากข้าวสาลีแล่งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้ซับนับไม่ท้วนข้าพเจ้าไม่มีความบกพร่องในโภคะเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเข้าสุขที่หุงจากข้าวสาลีแล่งหนึ่งโภคะทั้งหลายเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเหมือนกระแสน้ำข้าพเจ้าไม่สามารถจะนับได้นี้เป็นผลแห่งการถวายเข้าสุข ที่หูจากข้าวสาลีแล่งหนึ่งด้วยกรรมนั้นเขาพะเจ้าได้รับคำเชิญว่าเชิญเคี้ยวกินสิ่งนี้เชิญบริโภคสิ่งนี้เชิญนอนบนที่นอนนี้ดังนี้แหละเขาพะเจ้าจึงเป็นผู้มีความสุขนี้เป็นผลแห่งการถวายเข้าสุขที่หูจากข้าวสาลีแล่งหนึ่งเนี่กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพะเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้น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 ด้วยประกาศฉนิปัทโธธนทายกะเทราประธานที่เก้าจบสิมันจะทายกะเทราประธานประวัติในดิจฉาติของพระมันจะทายกะเทระพระมันจะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ผู้ประกอบด้วยพระกรุณาปริญพานแล้วเมื่อปาพศกําลังแพร่หลายไปเทวดาและมนุษย์พาเป็นสักกระแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นคนจันทานมีอาชีพทําเตียงนอนและตังข้าพเจ้าเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูบุตรปัญญาด้วยการงานนั้นข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระศาสนาจึงทําเตียงนอนอย่างประณีด้วยมือของตนแล้วได้เข้าไปถวายแด่พิสุสง์ด้วยตนเอง ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นเมื่อข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าถึงเทวโลกได้บันเทิงอยู่ในหมูเทพชั้นดาวดึงที่นอนเึ่งมีราคามากเกิดขึ้นตามความปรารถนาข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอด50ชาติได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ80ชาติ และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบูร์นับชาติไม่ท่วนเป็นผู้มีความสุขมียศนี้เป็นผลแห่งการถวายเตียงนอนครั้นข้าพเจ้าจุติจากเทวโลกมายังพบมนุษย์แล้วที่นอนอย่างดีอันเหมาะสำหรับผู้สูงศักดิ์เกิดแก่ข้าพเจ้าพบนี้เป็นพบสุดท้ายของข้าพเจ้าพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่ แม้ในวันนี้ที่นอนก็ได้ปรากฏขึ้นในเวลาจะนอนเหมือนกันในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเตียงกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้ากระถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัด ก, กิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมันจะทายกะเทระได้ภาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้มันจะทายกะเทระประทานที่สิบจบพัทาลิวัคที่สี่สิบสองจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวัคนี้คือหนึ่งพัฒลิเทระประทาน 2. เอกะชัตติยะเทราประทาน 3. ามติาสูลกะฉาธนิยะเทราประทานสมะทุมังสะทายกะเทราประทาน 5. นาคะปันละกะเทราประทาน 6. เอกทีปิยะเทราประทาน 7. อุเฉงคะปุพิยะเทราประทาน 8. ปดยาคุทายกะเทราประทาน าปัทโทธนทายกะเทราประทานสิบมันจะทายกะเทราประทานในวักนี้บัณฑิตนับคาถาได้สองร้อยหนึ่งคาถา